ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะมาแล้วนะคะสำหรับช่ ว, วลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในรายการสรนสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและ ว, วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกยียรติร้อสถานีได้พบกับพระอาจารย์ไพบุญอ่ะพี่ปุณนโณนนด้วยกันคะ่นนะนมสักการกันทั้นคะอาจารย์ปอยค่ะต้องกลับเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าเรายังอยู่ในช่วงเวลาของการเริ่มที่จะเล่าเกี่ยวกับการเดินทางไปสังเวชนียสถาน แบบที่เฉพาะของคณะนี้ก็คือมีการนำเสนอพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษประกอบในแต่ละที่ที่ได้ไปพบนะคะรวมไปถึงพุทธวจนะที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยเมื่อวานนี้ก็ว่าไปส่วนหนึ่งแล้วว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์เนี่ยจึงได้ออกบวช นะคะก่อนที่จะมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราก็จะดำเนินเรื่องต่อโดยมีพระมาร์คชาคาวโรนะคะในช่วงตอนต้นของรายการก่อนจะเข้ามาส่วนช่วงเนี้ยท่านก็จะได้ยกเอาพระสูตรที่สืบเนื่องกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เรากำลังจะเล่าต่อไปอวันนี้เป็นอย่างไรคะท่านคะนี่ทนมาได้อธิบายถึงเรื่องการทาทุกรกิริยาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่หลีกออกจาก สำนักขุตกะรามบุตร แ, แล้วก็มาแล้วเนี่ยก็มาแสวงหามาพบสถานที่ที่เรียกว่าเป็นโรม น, นิยสถานบุรีช้าอธิบายว่ามีชัดป่าเยือกเยน็นมีแม่น้ําไหลใสยเย็นจืดสนิทมีท่าน้ําราบเปลือยเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสําหรับที่โคจรตั้งอยู่โดยรอบเห็นภูมิภาคนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าสถานที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียร น, นั่นค่ะ ดังนั้นก็เลยอยู่พักณสถานที่นี้คือแถวตําตบลอุรุเวลาเซนานิคมก็คือแถวพุทธคยา น, นั่นแหละ <Okay. S 1> นะก็จะเป็นที่ที่พุทธเจ้าใช้ทําความเพียรอยู่ในบริเวณนั้นอไม่ใช่ที่ใต้ต้นโพหรอกนะแต่ว่าเป็นบริเวณในรถวแวกนั้นค <Okay. S 1> ทีนี้อที่ได้เมื่อวานเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการที่พระุทธเจ้าตัดสินใจออกบวชอีดนิดหนึ่งาจะขยายความอีกนิดหนึ่งว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเอ้ถ้า คนที่มีความแก่ความเจ็บความตายอยู่โดยธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วยังไปสแสวงหาความแก่ความเจ็บความตา ย, ยมันไม่ค่อยดีเราเป็นเราเป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราหาทางแก้ปัญหาดีกว่าอาจารยยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติในบริษัทที่เราทํางานอยู่ในครอบครัวหรือว่าในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งในสิ่งแวดล้อมของเราอ่ะแล้ว ถ้าเธอหรือคุณไม่ทําอะไรสักอย่างในอย่างหนึง่งคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเงี้ยหรอไหเพราะฉะนั้พนบบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้าเห็นว่าไอ้ตัวฉันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะไปหาสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอา้าคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยหาทางแก้ดีกว่าคแล้วก็เลยโรผมและหนวดคองผ้าย้อมน้ําฝาดพระพุทธเจ้าอธิบายอกริยาที่พปร่งทรงออกผนวดเนี่ยว่าอ เียว่าในขณะนั้นยังยังหนุ่มเกสายังดาจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กําลังเจริญอยู่ในปฐมวัยเมื่อบันดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันน้ําตาร้องน้ําตาหนองหน้าร้องไห้ยอยู่ก็ได้ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมน้ําฝาดออกจากเรือนบทเป็นผู้ไม่มีเรือนหาทางแก้ปัญหาของความแก่ความเจ็บและความตายหลังจากทีท่พระเจ้ามาถึงสถานที่ที่เรียกว่าพุทธคยาในปัจจุบันนี่นะคือตําบลอุรุเวรา ก็ได้ตั้งความเพียรหลายอย่างก็อย่างที่ท่านมาได้อธิบายก็คือว่าอการนลมหายใจบ้างอ่ดอาหารบ้างอะไรต่างๆซึ่งความเพียรต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นความเพียรที่สมัยก่อนเนี่ยพวกนักพรตฤศีเนี่ยเขาใช้กันทํากันเรียกว่าการบําเพ็ญตบะต่างๆบางทีเนี่ยก็ไปอยู่ออยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า หลีกเร้นไม่ให้ใครเจอเลยถ้าเห็นเด็กเลี้ยงโคผ่านมาก็จะรีบหนีเข้าไปในป่าแล้ว อ, อีกต่างๆเหล่านี้คเป็นข้อปฏิบัติที่ทำได้ยากมากๆเคยอ่านในพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มาก่อนหน้านี้ที่อ่านให้ท่านฟังฟังในรายการนี้ด้วยเนี่ยได้พบว่าเป็นวิธีที่แหมทำยากแล้วก็คนทั่วๆไปเนี่ยไม่น่าจะคิดถึงไปทาก็ด้วยหลายวิธีด้วยกันนะคะใช่คือคือไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาเนี่ยจะทำได้คือทำได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอธิบายถึงว่าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาไม่เกิดนะไม่ใช่ว่าทุกเวทนาไม่เกิดเกิดอยู่ทนได้อยู่แต่ว่าเพราะว่าการที่ทุกเวทนาที่ทนได้ยากเกิดเนี่ยทำให้กายกระสับ ก, กระสายไม่สบายเท่านั้นเองแต่สามารถอดทนได้อยู่ค่ะ <c oughs> ซึ่งน่ายกย่องสรรเสริญมากตรงนี้ว่าโหเราฟัง อาการที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญสุกรกิริยาเลยนะเอาแค่ง่ายๆว่ากลั้นลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจเนี่ยออกทางปากและทางเอกลั้นลมหายใจทางทางจมูกทางปากและทางช่องหูแล้วเนี่ยมีลมกล้าเหลือประมาณแทงซอกขึ้นไปบนกระหมอ่อมเหมือนกับคนเอามือมาบีบที่กระหม่อมเนี่ยโอ้โหปวดมากแค่เรากลั้นลมหายใจแค่สามนาทีนี่ก็จะแย่แล้วพระเจ้านี่ทํนานถึงขนาดนะอืถ้าอยากทราบว่า อาการเป็นอย่างไรทดลองดูบ้างได้ไหมคะนั้นก็ทำได้ <laughs> ทดลองได้แล้วก็น่าจะพบแบบเดียวกับพระพุโทโธงเช่นเดียวกันนะคะใช่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคือไปทั้งสองทางแล้วอะ่ะคิดดูนะพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเป็นกษัตริย์ที่กําลังจะได้อครองราชต่อเป็นเชื้อสายกษัตริย์ยังเป็นเจ้าชายอยู่กําลังจะได้ขึ้นครองราชต่อแล้วก็คือเรื่อง เรื่องของความสุขทางโลกไม่ต้องพูดถึงเลยมีประสาทสามหลังมีขุมทรัพย์ยุ่งหมดเจ็ดขุมที่ยังไม่ได้ติขุดเท้าเนี่ยไม่ต้องลงมาแตะดินในตลอดปี ใ, ในประสาทแต่ละหลังก็มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยแล้วถามว่าพระพุทธ้ายังละได้ละเสร็จแล้วมาทําอะไรมาหามาทําเนี่ยทุกรกรรมิริยาโอ้โหคนสุดโต่งคนละขัะ่วเลยนะตอนที่ท่านตัดสินใจออกพนวดเนี่ย จำได้ว่าท่านอายุ29ใช่ไหมครับใช่30ย่นหนึ่งออบวชแล้วหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลก็คืออายุ29ปีอันนี้เป็นคําที่พระพุทธค์ตรัสเล่าประวัติของพระพุทธองค์เองนะคะสํานวนเมื่อสักครู่นี้ใช่ใช่เรามาเรามามองนี้นะพระพุทธเจ้าได้ได้อธิบายไว้กับพระอุทัยในวรรคหนึ่งบอกว่าเปรียบเหมือนคนจนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของตนไม่ใช่คนมั่งคัง่งคนคนนี้มีเรือนเล็กๆอยู่หลังหนึ่ง มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกหลุดด้วยต้องคอยไล่กาคนจนคนนี้ก็มีรูปไม่งามมีแคร่อันหนึ่งหลุดรุ่ยมีข้าวเปลือกและพืชสำหรับหวานประจาปีหม้อหนึ่งไม่ใช่เป็นพันอย่างดีมีภรรยาคนหนึ่งไม่สวยเขาเห็นบุคคลคนจนคนนี้นะเห็นพระผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าอันล้างสะอาดดีแล้วมีฉันโภชนะอันน่าจเจริญใจนั่งอยู่ในที่อันร่มเย็น ประกอบอยู่ในความเพียรทางจิตอันยิ่งคนจนคนนี้นะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าแหมสมณะคนนี้เป็นสุขนอสมณะคนนี้เป็นสุขเนอเราควรจะปลงผมและหนวด น, นุ่งห่มผ้าย้อมม้ำฝาดออกบวชจากเรือนบ้างหรือหนอเพราะเขาคิดอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่เขาไม่อาจจะละเรือนเล็กๆมีเครื่องมุงบางอันขาดหลุดลุย่ยต้องคอยไล่กาอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาก็เลยไม่ออกบวช <c oughs> คิดดูคนที่เออ มีความทุกข์อยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเขาละไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ออกปวดในขณะเดียวกันพระเจ้าก็อธิบายว่าบุตรอีกคนหนึ่งเป็นข้าดาบดีหรือบุตรข้าราบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากสะสมทองหลายร้อยแท่งสะสมเข้าเปลือกนาที่ดินภรรยาทาชาสีไว้เป็นอันมากเขาเห็นพิสูจนผู้อยู่ในอารามมีมือและเท้าล้างดีแล้วฉันโพชนะอันเจริญใจนั่งอยู่ในที่อันร่มเย็นประกอบความเพียรในจิตอันยิ่ง เขามีความคิดอย่างนี้ว่าแหมเราน่าจะบวชแสวงหาโมฆะธรรมดีกว่าถ้าเขาสามารถละทรัพย์เหล่านั้นได้นะเขาก็ออกบวชเป็นบางระชีดได้แล้วเขาอาจจะละทองหลายร้อยแท่งละข้าเปลือกนาธาตุทาสีอะไต่างๆได้เหมือนกันถ้าเราสามารถละสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยพระสมัยปัจจุบันแเธอมีเงินกี่แสนกี่ล้านเธอมีเงินเดือนเท่าไหร่รูปงามหรือรูปไม่งามองค์ระชจ้านี่เหนือกว่ามาก ปริชาอธิบายอาการรูปงามของตัวเองไว้นะบอกว่าส่วนที่ใหญ่ส่วนที่ควรจะใหญ่ก็ใหญ่ส่วนที่ควรจะเล็กก็เล็กส่วนที่ควรจะคล้ำก็คล้ำส่วนที่ควรจะขาวก็ขาวเราเป็นผู้และมีลักษณะอย่างนั้นปริชาก็ยังออกบวชได้นได้ออไหมยังวางได้ทั้งหมดว่าอย่างนั้นเถอะได้คิดดูเอ้ ม, มีคนมาถามอาตามาเพราะโอ้อาตามามออกบวชได้ไงตัวเอ้ไม่ต้องไปเที่ยวเลยปริชาเหนี่อยกว่าเยอะ ใช่ไหมค่ะเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะเห็นว่าสุภาพบุรุษท่านหนึ่งมีหน้าที่การงานดีมีเงินเดือนสูงมากมองไปข้างหน้าเห็นแต่อนาคตแบบโลกโลกเหตุใดจึงตัดสินใจสละทุกอย่างเพื่อมาครองศีลอ่าก็ง่ายๆเราเปรียบเทียบตัวเรากับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้านี้เดินกว่ามากทำไมพระพุทธเจ้าถึงรอดได้โอการประกอบความเพียรในอธิจิตเป็นยังไงอะไรที่เรายังไม่รู้เราควรจะทําให้รู้ พอไปถึงสถานที่จริงเนี่ยเราก็พบว่าโอ้อสิ่งที่สถานที่ที่พระเจ้ามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเกิดสังเวชเกิดความศรัทธาแล้วก็ก็ลองมาปฏิบัติให้มันลึกซึ้งดูมันก็เกิดความมั่นคงมากขึ้ น, นท่านได้ไปบริเวณที่เรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมนั้นไหมคะได้ไปได้ไปก็คือสถานที่ตรัสรู้นี่แหละในบริเวณ ร, บรอบๆค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยจะอยู่ริมแม่น้ําเนรันชาราไม่ใช่หรอคะใช่ถูกต้อง เป็นเครือาอยู่ริมน้ำในลันชาราค่ะในละแวกนั้นก็มีบ้านของนางสุชาดาซึ่งเป็นคนรวยนะคะผู้หญิงที่มีบทบาทสูงกับพระพุทธศาสนาด้วย uh huh, uh huh. แต่ว่าตอนนี้นี่ท่านเล่ามาถึงตอนที่ท่านมาร์คได้อ่านพระสูตรเรื่องบำเพ็ญทุกขกะกิริยา uh huh. ยอมเสียสละและยอมทนลำบากจนถึงแม้ทนได้แต่ได้พบว่ามันทาให้กระสับกระสาย ไม่สามารถบรรลุทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ้องก็ก็เลยมาคิดว่าก็เลยมาคิดว่าเอ๊คนที่จะทำความเพียรขนาดนี้ได้ในโลกนี้มันไม่มีแล้วนะถ้าใครจะเรียกว่าทำความเพียรได้ยิ่งกว่าไปกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วแต่ทำไมเราก็ยังไม่บรรลุค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยมาคิดนะว่าเอ๊แล้ววิธีไหนจะทำให้กัน ให้เกิดการบรรลุที่เรียกว่าบรรลุอนุตต ร, า ส, าารสัมมาสัมโพธิญาณได้ซึ่งท่านมาก็จะได้อธิบายตรงนี้ให้ฟังในวันพรุ่งได้อ่านพระสูตรตรงนี้ให้ฟังในวันพรุ่งนี้จะพูดคร่าวๆก่อนก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็มาระลึกถึงครั้งที่องานแรกหนาขวัญสมัยตอนอายุยังเด็กๆอยู่ก็พบว่าสามารถเข้าฌานหนึ่งได้ตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไม้ต้นว่าต้นหนึ่งคก็เลยคิดว่าเอสงสัย การเข้าสมาธิลักษณะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญตะบะความเพียรทางศิลลักษณะนั้นเนี่ยจะเป็นหนทางเพื่อการบรรลุเป็นแน่แท้อ๋ออันนี้หมายความว่าพระพุทธองค์ย้อนไปในสมัยที่ยังไม่ออกบวชใช่ไหมค ะ, ะที่เคยลองนั่งสมาธิตอนแรกนาขวัญเลยคะใช่งานแรกนาขวัญของพระบิดาอ๋อพิธีแรกนาขวัญ น, นี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยเหรอคะใช่ใช่อแล้วก็งานที่ให้กำลังใจชาวนาว่างั้นเถอะค่ะอ่า แล้วก็ได้ส่งลองนั่งปฏิบัตินั่งสมาธิได้ชา้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่เป็นอย่างไรนะท่านชันหนึ่งที่ได้ทรงอธิบายก็คือสังกัดจากการมและอกุศลกรรมทั้งหลายคือเรื่องที่เกี่ยวกับการมปฏิบัติเปลี่ยนเปลียนไม่อยู่ในจิตเลยนะแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆคือความวิตกความวิจารณ์วิตกวิจารณ์แล้ววิตกวิจารณ์เนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปีติและสุขแล้วก็เลยคิดว่าชักรอยนั่นจักเป็นทางในการตรัสรู้อย่างนี้ เรียกว่าเกิดสว่างวาบขึ้นมาในใจเลยจากอดีตการที่ผ่านมาถ้าอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องส่วนต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางไปสังเวชนียสถานคงจะขออนุ ญ, ญาตให้ยกไปต่อวันพรุ่งนี้ได้ไหมคะได้ไดไดเพราะว่าพอดีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติจากท่านผู้ฟังชื่อคุณพิชิตพง่งาทางอ e ีเมลที่พีวธรรมะคอ /106 เนี่ยเกรงว่าถ้าตอบช้าเดี๋ยวคุณพิชิตพงศ์อาจจะคอยนานพอดี ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์กำลังพูดอยู่เขาคงจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกนะคะ<อ>จึงบอกว่ากลับจากอุดรมาแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าขณะนั่งสมาธิเมื่อจิตรวมเข้าที่ลมหายใจแล้วสังเกตดูจะรู้สึกโล่งเบาสบายแต่โดยธรรมชาติของจิตก็ยังคงซัดสายไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ได้ต่อ ย, ยอดความคิด เนื่องจากจิตรู้ทันเสแล้วจิตจึงกลับมาที่ดูลมหายใจต่อไป <Okay. S 1> สภาวะนี้พ้นจากคณิกะเข้าสู่อุปจาระหรืออย่างครับ okay. uh, คือว่าต้องอธิบายให้ทราบอย่างนี้ว่าการที่เราเห็นลมหายใจแล้วเป็นธรรมชาติของจิตที่จะไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็ปล่อยมันไปกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอีกอันนี้ถูกต้องแล้ว อันนี้ถูกต้องแล้วทีนี้เรื่องคณิกาหรืออุปจาระเนี่ยให้สังเกตเพียงแค่ว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเราทําไปฝึกไปทําไปฝึกไปเนี่ย ช, ช่วงเวลาที่อยู่กับลมหายใจได้มันจะนานขึ้นช่วงเวลาที่จิตหลุดออกไปได้หลุดออกไปจากลมหายใจจะสั้นลงสั้นลงแค่นี้พอค่ะที่สุด น, นะคะทีนี้มีอีกคําถามหนึ่งคงต้องรีบไปเร็วนิดนึงว่าการพิจารณาลงไปที่กายแบบที่หลวงพ่อบอกให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ถือกําเนิดมา แก่เจ็บและตายลงไปเป็นของไม่เที่ยงจึงได้จินตนาการเห็นตัวเองตอนเด็กโตแก่จินตนาการยังไม่เคยถูกเพราะยังไม่เห็นเลยคิดถึงภาพพ่อผมแทนแล้วก็เห็นตัวเองตอนเจ็บป่วยตายและมีอาการบวมเน่าสลายจนเหลือแต่กระดูกจากนั้นถูกนำไปเผาจนเหลือแต่เท่าโปรยขึ้นฟ้าหายไปทั้งหมดนี้คิดเอาเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างสุดแต่สัญญาจะจําได้ผมปฏิบัติตรงไหมนนหากไม่ตรงโปรดแนะนําค่ะ อันนี้แสดงว่าสมาธิเนี่ยยังมีกำลังน้อยอยู่เพราะว่าถ้าสมาธิมีกำลังมากแล้วจะสามารถน้อมเข้ามาสู่ตัวได้ก็จะสอดคล้องกับอันแรกใช่มถ้าเราฝึก อ, อันแรกคือคำถามแรกเนี่ยมากมาๆมากแล้วเนี่ยจิตช่วงเวลาที่อยู่กำลังหายใจได้จะมีมากขึ้นพอมีมากขึ้นแล้วการพิจารณามันจะน้อมเข้ามาสู่ตัวได้ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นอ๋อค่ะ นะคะก็คงจะได้คําตอบกระจาย ก, กันไปและยังเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นที่อาจจะเป็นผู้ปฏิบตัติแล้วก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามรายการนี้ยังจะต้องให้ท่านจันภัยบูลได้ช่วยเล่าถึงเรื่องของการเดินทางไปสังเวชนียสถานที่ประกอบไปด้วยคําพูดของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธว จ, จนะที่สอดคล้องกันเป็นการแตกต่างจากการเดินทาง อ, อย่างการที่ฉันเคยเดินทางผ่านมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาลงแล้วเอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะค่ะข้าในมัศ ก, การขอบพระคุณค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสรรสริญสนทนาในช่วงสัปดาห์นี้เราจะให้ท่านฟังได้เสมือนกับว่าติดตามคณะของพระคุณเจ้าและสิบของคณะที่ศรัทธานในพุทธว จ, จนะธรรมวินัยจากพุทธโอษ์ไปสังเวชนียสถานด้วยการที่มาเล่าประกอบกับพุทธว จ, จนะให้กับท่านฟังได้ฟังกัน ในวันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อไปนะคะที่ FM ฟรแห่งนี้กับที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเช่นเคยขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันสันสนีนาคพง์สวัสดีค่ะ